น, นททายมันเป็นเรื่องค่อนข้างจริงการละครั้งหนึ่งมีแม่ไก่เล่าเรื่องที่น่ากลัวที่สุดเท่าที่เคยมีมามันช่างน่ากลัวจนทำให้ขนแม่ไก่ตัวอื่นตั้งขึ้นมันเป็นวันที่ยาวนานและเหนื่อยล้าจากการทำงานแม่ไก่ทั้งหมดพร้อมที่จะนอนในเตียงหญ้าแห้งแสนสบายและในฝูงแม่ไก่มีแม่ไก่จอร์ลี่ขนสีขาว แม่ไก่สีเทามองดูเธอเธอสงสัยว่าทำไมแม่ไก่ขนขาวถึงทำอย่างนั้นเธอดึงขนของตัวเองการดึงขนของตัวเองเป็นความคิดที่น่ากลัวและแย่มากโอ้ดีจิงเลยที่ฉันกำจัดขนส ก, กปรกไปเธอไม่อยากเก็บเรื่องนี้ไว้คนเดียวแม่ไก่สีเทาวินร่อนออกจากเตียงเพื่อที่จะเล่าเรื่องให้เพื่อนฟัง นี่ลิซ่านี่พิกซี่มาใกล้ๆสิฉันมีอะไรจะเล่าให้ฟังเคยได้ยินเรื่องแม่ไก่งี่เง่าไหมถ้าดึงขนตัวเองออกมาเพื่อให้ดูสวยขึ้นพ่อไก่จะชอบแม่ไก่ตัวนั้นแบบที่ไม่มีขนได้ยังไงถ้าฉันเป็นพ่อไก่ฉันจะรังเกียจแม่ไก่ตัวนั้ น, น, นแน่ๆโอ้นั่นเป็นเรื่องที่เยมบอกเธอทาแบบนั้นได้ยังไงนะ่าไม่อ่อยโลกเราเป็นอะไรกันหมด เขาให้เป็นประโยชน์กับไก่ทั้งหมดเถออความจริงฉันมาจากต้นอ๋อถึงบ้านแม่ไก่มีครอบครัวนกฮูกอาศัยอยู่แม่ของนกฮูกมีความสามารถพิเศษที่ได้ยินทุกอย่างและมีปากที่สามารถเล่าทุกอย่างสามารถเล่าทุกอย่างที่แม่ไก่คุยกันพอถึงบ้านแม่นกฮูกก็เล่าทุกอย่างที่ได้ยินอย่างรวดเร็ว มันเป็นนิทานที่น่ากลัวสำหรับนกฮูกเด็กๆพวกเขาเงียบและกลัวแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือความคิดที่ว่าการดึงขนของนกแล้วคิดว่าสวยโดยที่ไม่มีขนแต่แม่คะเธอจะบินได้ยังไงแม่ไก่ไม่ได้บินแบบเราแต่ถ้าไม่มีขนเนี่ยพวกเขาจะหนาวแล้วก็ป่วยได้จ้า บอกพวกเราอีกสิแม่มีเรื่องอะไรอีกไหมโอ้ไม่ไม่มันดึกแล้วไปที่เตียงได้แล้วทั้งสอตัวแล้วฝันดีนางฟ้าน้อยหลังจากที่เธอจูบลูกของเธอแม่ของนกฮูกได้บินไปเล่าเรื่องให้กับนกพิราบ <c oughs> เพื่อนของเธอฟังฉันต้องไปบอกนกพิราบเรื่องแม่ไก่บ้านี่ละฉันรู้ว่าพวกเขาต้องไม่เชื่อฉันแม่นกฮูก เล่าทุกอย่างเกี่ยวกับแม่ไก่ให้นกพิราบฟังพวกนกฟังเรื่องทั้งหมดไม่กระพริบตาไม่มีคำถามพวกเขาฟังเฉยๆและเชื่อเรื่องที่แม่นกฮูกบอกพวกเขาต้องหนาวมากแน่ๆที่เสียขนไปทั้งหมดนี่เป็นเรื่องใหม่ของนกพิราบพวกเขาชอบที่จะแบ่งปันเรื่องเล่าพวกเขาบินไปทุกทิศ ท, ทุกทางเพื่อที่จะเล่าเรื่องราวอันอื้อเฉา นายรู้ไหมว่ามันเป็นเรื่องค่อนข้างจริงกูกูแม่ไก่ที่อยู่ในบ้านแม่ไก่ถอนขนตัวเองออกเพราะคิดว่าตัวเองสวยทำาไม่มีขนนายรู้ไหมว่ามันน่าจะเป็นเรื่องค่อนข้างจริงแม่ไก่ที่อยู่ในบ้านแม่ไก่ถอนขนตัวเองเพื่อเรียกร้องความสนใจจากพ่อไก่นายรู้ไหมว่ามันเป็นเรื่องค่อนข้างจริงแม่ไก่ที่อยู่ในบ้านแม่ไก่ถอนขนตัวเองเพื่อเรียกร้องความสนใจจากพ่อไก่ขนไก่หนึ่งขน กลายเป็นหลายขนและแม่ไก่หนึ่งตัวกลายเป็นแม่ไก่หลายตัวเช้าวันถัดมาข่าวที่น่าตกใจได้ไปถึงหูของพ่อไก่ <c oughs> บอก <c oughs> เธอต้องไม่เชื่อแน่เลยแต่ว่ามันค่อนข้างจริงแม่ไก่สามตัวได้ถอนขนตัวเอง ฉันได้ยินมาจากคนอื่นฉันได้ยินมาว่าพวกเขาตกหลุมรักพ่อไก่ทำไมฉันถึงไม่ได้ยินเร็วกว่านี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นช่วงหน้าหนาวถ้าพวกเขาไม่มีนขนข่าวการถอนขนของแม่ไก่แพร่ไปทุกที่เรื่องเล่าไปจากบ้านแม่ไก่ถึงบ้านแม่ไก่จากฟาร์มไปถึงฟาร์มและสุดท้ายก็ไปทั่วประเทศและสุดท้ายเรื่องเล่า ก็มาถึงบ้านแม่ไก่ต้นเรื่องมีแม่ไก่3มตัวที่น่าเศร้าเพราะ อ, อกหักจากพ่อไก่เพื่อที่จะชนะใจพ่อไก่พวกเขาเริ่มถอนขนตัวเองเพื่อจะแสดงให้เห็นว่าใครล่ะเขามากกว่ากันและพวกเขาก็ถอนขนออกจนหมดเธอเชื่อไหมมันเป็นเรื่องค่อนข้างจริงเมื่อจอนลี่แม่ไก่ขาวตัวเดิมได้เสียขนไก่ไปเพียงนิดเดียวได้ยินเรื่องเล่าในที่สุดเธอไม่เข้าใจว่าเรื่องเล่านี้มาจากไหน เธอเศร้าแล้วโมโหเธอจึงพูดว่าเกิดอะไรขึ้นนี่เป็นเรื่องที่รับไม่ได้แม่ไก่ไม่ควรถอนขนของตัวเองฉันครึ่งหนึ่งได้ดึงขนเพราะว่ามันสกรปรกเรื่องนี้ไม่ควรเก็บเป็นความลับเราจะส่งข่าวเตือนพวกเราควรจะบอกผ่านโทรทัศน์และช่องโทรทัศน์ของฟาร์มแล้วก็ข่าวข่าวได้แพร่ออกไปทั่วพวกเขาเห็นในหนังสือพิมพ์และดูจากทีวี าวนี้เป็นปัญหาจริงๆฉันไม่รู้เลยเราได้ข่าวจากบ้านแม่ไก่แน่นอนเรามีเธอไม่รู้เรื่องนี้ได้อย่างไงกับขอโทษนะฉันไม่รู้มันเรียกว่ากกทกทศหรออะไรคือกกทศอ๋อกกทศคือกงไก่ทรทั์มันดังมากเลยทันใดนั้นเรื่องทั้งหมดก็ปรากฏขึ้นในตอนเช้าของหนังสือพิมพ์ทุกคนอ่านเรื่องแม่ไก่งี่เง่าสามตัว ที่อกหักจากพ่อไก่เจ้าถิดและถอนคนตัวเองทั้งหมดตอนนี้ได้หนาวเพราะว่าอากาศเย็นขนไก่จะปกป้องพวกเขาแต่ว่าพวกเขาไม่มีมันแล้วมันจึงทำให้พวกเขาป่วยมากไม่นานทุกคนก็พูดถึงเรื่องแม่ไก่งี่เง่าสามตัวว่าพวกเขาโง่แค่ไหนที่ถอนขนของตัวเองมันเป็นความผิดของฉันจะไม่ควรเล่าเรื่องโกหกไปทั่ว ฉันจะจำไว้ว่าฉันจะไม่เล่าอะไรที่ไม่เป็นความจริงอีกฉันได้รับบทเรียนสําคัญวันนี้ว่ากันว่าเรื่องโกหกดังไปครึ่งโลกก่อนที่เรื่องจริงจะเริ่มเล่าแม่ไก่สีเทาได้รับบทเรียนสําคัญแม่ไก่ทั้งหลายต้องจําไว้ว่าเราเล่าเรื่องและคําพูดของเราเราจะต้องระวังว่าเรากําลังพูดอะไร พูดผิดไปหนึ่งคำหรือว่าสองคำก็สามารถสร้างสิ่งที่เราไม่สามารถหยุดหรือว่าเปลี่ยนแปลงได้อีกเลยขนเพียงหนึ่งขนกับกลายเป็นขนอีกหลายขนเหมือนเรื่องที่แม่ไก่กลายเป็นแม่ไก่สามตัวเรื่องเล่าอาจเป็นเรื่องเท็จแต่ก็เหมือนกับที่แม่ไก่พูดมันเป็นเรื่องค่อนข้างจริง